บุกทูห้าสิบหกวินเทซสความรู้สึกเซนตตอยมีความรู้สึกต้องการอยากเอมี <Amy. S 2> เรามีความรู้สึกเราต้องการเราอยาก นอมัสเราไม่มีความรู้สึกเราไม่ต้องการเราไม่อยากนิเนทแอมัสกลัวที่มีดิฉันกลัวมีทิมัสดิฉันไม่กลัวนี่เนททิมัส มีเวลา Have time เ, เขามีเวลา He has time เขาไม่มีเวลา He n t have t i m เ, เบื่อ e n เธอเบื่อ She e n v i s เธอไม่เบื่อ ชีเนื้อหนวันหิวมัลซาติคุณหิวไหมชุบิมัลซาตัสคุณไม่หิวหรือชุบินมัลซาตัสกระหายน้ำสวีฟีพวกเข่ากระหายน้ำ ชูบิโซอีฟัสพวกเขาไม่กระหายนา้ำชูบิเนโซอีฟัส